ครั้งที่แล้วก็ได้กล่าวถึงวิสุทธิคือทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธินั้นนะโดยสรุปโดยอัฏะโดยเนื้อหาก็คือความเห็นที่บริสุทธิ์คำว่าความเห็นที่บริสุทธินั้นหรืออีกชื่อหนึ่งท่านบอกว่ายะถาภูตยานัทสนะเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริง หรือเห็นพูดโดยความเป็นพูดก็ได้นะรู้เห็นพูดโดยความเป็นพูดคำว่าพูดในที่นี้เป็นชื่อของอุปาทานขันห้าก็คือเห็นขันห้าเป็นขันห้าเห็นนามเป็นนามเห็นรูปเป็นรูปเห็นขันอายตนะธาตุว่าเป็นขันอายตนะธาตุซึ่งปกติแล้วหมูสัตว์ทั้งหลายไม่ได้มีความสำคัญอย่างนั้น เมื่อไม่ได้เห็นว่าเป็นพูดเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะโดยมากก็เห็นเป็นสัตว์เมื่อเห็นโดยความเป็นสัตว์สัตตสัญญาก็เกิดขึ้นสัตตสัญญาตัวนี้ก็บวกกับการมาสัญญานั่นแหละสัตตสัญญาเหล่านี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดอุเฉทิฏฐิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัตตทิฏฐิ เพราะผู้ใดถือว่าเป็นสัตว์สัตว์นี้จักสูญจักพินาศจักแตกทาลายพวกนี้ก็กลายเป็นอุดเฉททิฏฐิไปพวกที่ถือพวกที่เห็นว่าขันเหล่านี้จีรังยั่งยืนมั่นคงเที่ยงแท้แน่นอนพวกนี้ก็เป็นสัสตะทิฏฐิไปส่วนผู้มีปัญญาจักรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้เห็นขันโดยความเป็นขันรู้เห็นธาตุโดยความเป็นธาตุ รู้เห็นอายตนะโดยความเป็นอายตนะขันอายตนะธาตุเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นชายเป็นหญิงเป็นเราเป็นของเราเป็นผู้อื่นเป็นสัตว์ในพบภูมิต่างๆซึ่งโดยประมาทโดยสภาวะที่จริงแท้เมื่อมีการวิจัยไคร่ครวรพิจารณาโดยแยกแยะไปแล้วก็มีแต่ขันธาตุและอายตนะเนื้อความโดยสรุปเนี่ยนะ ถ้าหากว่าเราเห็นที่เรียกว่าเห็นโบหารว่าเห็นคนเห็นสัตว์เนี่ยนะเราจะพิจารณาต่อไปอย่างไรให้เห็นเป็นขันห้านเห็นยังไงเป็นขันห้าอย่างที่เราเรียกว่าลืมตามองเห็นเนี่ยคิดยังไงให้เป็นขันห้าคำว่าเห็นขันห้าโดยความเป็นห้าเป็นขันห้าไม่ใช่ว่านับหนึ่งสองสามสี่ห้าครบนะไม่ได้แปลแบบนั้นแปลว่ายังไง แปลว่าถ้าสมมติในยกตัวอย่างว่ามองเห็นพี่อิดแป๊บก็เห็นเป็นรูปประคันรูปประคันเนี่ยสมมุติอากิริยาท่าทางมีอะไรเป็นสมุทฐานจิตเป็นสมุทฐานเพราะรูปที่แสดงออกโดยพฤติกรรมเช่นการยิ้มแย้มแจ่มใสมีการยกมีการคู่มีการเหยียดเป็นต้นสีเหล่านั้นถือว่าเป็นสีที่มีจิตเป็นสมุทฐานจิตที่เป็นสมุทฐานเนี่ยหรือมีนามขันทั้งหลายเป็น สมุทฐานทีนี้ตัวที่เห็นหยาบตามลงมาก็คือเวทนาคือหมายความว่ารูปนี้ถือว่าหยาบที่สุดแล้วแล้วกิริยาอาการที่แสดงออกประกาศถึงเวทนาด้วยใชย่ว่ากิริยาที่แสดงออกนั้นเป็นผลของโสมนัสเวทนาหรือโทมณัสเวทนาหรือเฉยๆนั้นเวทนานั่นแหละเป็นตัวประกาศจิตตะชูด้วยว่าจิตตะชูดนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส หรือเจตทรูปนี้เหมือนตึงนะมืนตึงเพราะว่ามีจิตเป็นสมุธฐานทีนี้ถ้าโสมนัติเวทนาเกิดขึ้นมีมีอะไรเป็นอารมณ์ล่ะสัญญาเป็นไปกับรูปหรือเป็นไปกับเสียงหรือกับกลิ่นกับรสกับโภ ธ, ธภัณฑ์ังนั้นกิริยาที่แสดงออกเนี่ยบางทีก็เป็นกายกรรมที่พูดก็เป็นวจีกรรมตัวนั้นเป็นเจตนากายสัญเจตนาวจีสัญเจตนาหรือมีแค่มโนสัญเจตนา นะเพราะธรมธรมะเหล่านี้เวทนาสัญญาสังขารเกิดร่วมกับจิตถ้าเกิดร่วมกับจิตจิตที่ทําให้โสมนัตมีกี่ดวงก็สามารถวิจัยต่อไปได้เลยถ้าโสมนัตเป็นไปกับบุญกับกุศลก็เป็นมหากุศลโสมนัตถ้าโสมนัตเป็นไปกับรูปเสียงกลื่อนรสที่เป็นวัตถุกลามก็เป็นโลภะทีนี้โทมณัตนะก็แบ่งบอกว่าโทมณัตนี้เป็นไปกับอะไรพฟันเห็นอะไรปั๊บก็อย่างถึงรูปนะ พูดตรงอีกในหนึ่งก็คือรูปที่มีจิตเป็นสมุทฐานแล้วก็วิเคราะห์ไปที่เวทนาก็อ่านเวทนาตามมาเลยว่ารูปเหล่านี้มีเวทนาเช่นใดแล้วมีสัญญาเช่นใดมีสังขารคือเจตนาเช่นใดเกิดร่วมกับจิตเหล่าใดพอแพ่งอย่างนี้ไปก็เห็นแต่ขันห้านั่นแหละที่นั่งที่ยืนที่เดินที่นอนขันห้าที่เป็นไปนั่นนะก็มองเห็นขันห้าในาทุกอารมณ์ ทีนี้ถามว่าอา้าวถ้าเห็นพวกเข้าของเครื่องใช้ทั่วไปเป็นขันห้าได้อย่างไรเป็นไม้เป็นเพราะรูปเหล่านั้นในฐานะเป็นอารมณ์ของเวทนาขันของเราอ่า น, นะยกตัวอย่างถ้าเราคิดถึงต้นไม้ใบไม้คิดถึงโต๊ะเก้าอี้เตียงต่างบ้านช่องสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหลายสิ่งนั้นในฐานะเป็นรูปประขันเป็นอารมณ์ของเวทนาขันสัญญาขันก็สาคัญไหมในสิ่งนั้นว่าสีขาวสีเขียวสีเหลืองเป็นต้น แล้วก็สังขารขันเจตนาเราคิดอะไรอยู่วิญญาณขันก็คือความคิดที่เป็นไปในการคิดถึงสิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นการพิจารณาขันห้าทั้งภายนอกพิจารณาขันห้าทั้งภายใน น, นะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเห็นใครหรือเห็นที่เรียกว่าเห็นคนเห็นสัตว์ปั๊ตัวที่จะเห็นให้เป็นขันห้าง่ายที่สุดก็คือเห็นจิตตชรูปก่อนพิจารณารูปนี้มีจิตเป็นสมุทฐาน จิตเหล่านั้นเกิดร่วมกับเวทนาเกิดร่วมกับสัญญาสังขารนะทาให้จิตตชรูปข ย, ขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวเป็นต้นไปได้ยืนเดินนั่งและนอนแสดงกิริยาอาการท่าทางต่างๆโดยมีจิตเป็นสมุทฐานหรืออย่างน้อยที่สุดจิตต้องทรงให้เขานั่งอยู่ได้นะจิตที่ที่เป็นปัจจัยให้ทรงอยู่ได้ให้เช่นให้คอไม่ภาพลงนะให้คอมันตั้งอยู่ได้ะแล้วก็ต่อด้วยจิต เจตสิกหรื อ, อเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้ถ้าสิ่งไม่มีชีวิตยกตัวอย่างว่าเรามองเห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปนั้นก็คือวินิพกกรูปแปดเท่านั้นเองเห็นพระเจดีย์นี้เจดีย์ก็มีวินิพกกรูป8ดรูปเหล่านี้เป็นรูปประคันเมื่อเห็นเจดีย์ผู้ที่มีศรัทธาเห็นสมนัตเวทนาเกิดเลยอันนี้ก็เป็นเวทนาขันกุศลสัญญาเนข ม, มสัญญาก็เกิดขึ้นเป็น สัญญาขันเจตนาน้อมลงกราบกล่าววาจาสรรเสริญก็เป็นสังขารขันจิตที่เกิดร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเหล่านี้เป็นวิญญาณขันเพราะฉะนั้นถ้ารับอารมณ์ทั่ ว, วไปเนี่ยขันห้าชัดเจนถ้าหากว่าคิดในสิ่งมีชีวิตจะพิจารณาขันห้าภายในก็ได้พิจารณาขันห้าภายนอกก็ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างในโลกนี้คือขันห้าประชุมกัน ที่ใดมีการรู้สึกนึกคิดมีการรับรู้ที่นั่นมีขันห้าที่ใดมีรูปประขันแสดงว่าที่นั่นต้องมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณขันที่ใดมีเวทนาขันที่นั้นต้องมีขันอื่นๆด้วยเพราะในปัญจโวการะพบขันห้าเป็นของคู่กันเป็นไปเนื่องด้วยกันเนี่ยนะเป็นไปเนื่องด้วยกันอาศัยซึ่งกันและกันท่านจึงอุปมาว่ารูปประขันกับนามขันเนี่ยรูปเหมือนไม้ออกกไม่อ้มอมัดหนึ่ง ไม้ออกกับไม้ลําปองนี้มันคล้ายๆกันก็คือใหญ่เท่าประมาณนิ้วมือเนี่ยนะแต่เป็นไม้พันผุกมาเขาว่าเก็บไม่นานเดียวก็ผุหมดไม้มากองๆแล้วเอามาตั้งชนกันเนี่ยนะถ้ากองหนึ่งล้มอีกกองหนึ่งก็ล้มไปด้วยนามรูปนี้ที่ใดมีอีกข้างหนึ่งที่เหลือก็ต้องมีอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ใดมีรูปที่นั่นต้องมีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ที่ใดมีเวทนาที่นั่นจะต้องมีรูปมีสัญญาสังขารและวิญญาณอันถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งที่เหลือก็มีด้วยมีอยู่ด้วยกันความเห็นอันนี้เรียกว่าปเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์เพราะไม่เจือด้วยไม่เจือด้วยอะไรไม่เจือด้วยสัตตสัญญานนะไม่เจือด้วยสัตตสัญญาอันนั่นเป็นอะซัมโมหะเป็นความไม่ลุ่มหลง เป็นทิฏฐิวิสุทธิเป็นความเห็นที่ตรงเป็นความเห็นที่ถูกต้องสัตว์ทั้งหลายโดยปกติผู้ที่ไม่อบรมปัญญาจะเห็นอะไรนี่จะถืออะไรถือรวบเลยถือรวบแล้วก็สําคัญว่าเป็นสัตว์สําคัญว่าเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์ไม่มีการแยกแยะอะไรเลยเนี่ยนะก็เห็นเป็นใครก็อ่ะก็เอาทุระเรื่องอื่นไปจะไม่มีการวิจัยทีนี้ การพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเราต้องไปให้ทันสิ่งนั้นนั้นแล้วค่อยพิจารณาไหมจำเป็นขนาดนั้นไหมไม่จำเป็นเนี่ยนะเพราะคิดถึงที่ใดสิ่งที่คิดถึงเ่เราโดยมากคิดถึงขันอะไรโดยมากก็คิดถึงรูปขันเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งคิดถึงชีวิตในอดีตคิดถึงชีวิตในอนาคตคิดถึงความเป็นที่เคยเป็นมาเป็นไปในอดีต ที่จักเป็นไปในอนาคตนั่นก็คือขันห้าสรุปว่าในการสามอดีตอนาคตคือขันห้าปัจจุบันนี้ก็คือขันห้าที่กําลังเป็นไปทีนี้เอกนามขันปัจจุบันบางทีมีอารมณ์เป็นอดีตบ้างมีอารมณ์เป็นอนาคตบ้างมีอารมณ์เป็นปัจจุบันบ้างใครที่เรียนมัธยการ ม, มาดีเนี่ยนะเขาบอกาอาตีตาธรรมอาอนาคตาธรรมาปัจจุบปนาธรรมมา ขันทั้งหลายที่เป็นอดีตขันทั้งหลายที่เป็นอนาคตขันทั้งหลายที่เป็นปัจจุบันอติตารมนาธรรมอนาคตารมนาธรรมาปัจจุปนนารมนาธรรมานามขันทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอดีตนามขันทั้งหลายที่มีอารมณ์เป็นอนาคตนามขันทั้งหลายที่กำลังมีอารมณ์ในปัจจุบันนี่คือธรรมที่เป็นไปในวัตะเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นบาทเป็นอารมณ์ของ ของการพิจารณาหรืออธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรเข้าไปวิจัยเข้าไปรอบรู้เนี่ยนะก็อย่างที่ว่านะพระพุทธเจ้าก็แสดงในสิ่งที่มีอยู่แล้วนี่แหละคือพระองค์เนี่ยกล่าวถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วอ บ, บรมปัญญาขันธ์ทั้งห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วเป็นสิ่งที่จักมีต่อไปเป็นสิ่งที่กําลังมีอยู่พระพุทธเจ้าก็เอาสิ่งเหล่านี้มา บอกมากล่าวแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยจนบางท่านก็บอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นแหละพูดถูกไหมถูกถูกหมดไหมไม่หมดนะที่ถามว่าพูดถูกหมอันนี้ถูกไม่ผิดแต่ว่าถูกทั้งหมดใช่ไหมบอกไม่ใช่ธรรมะคือธรรมชาติต้องต่อด้วยอะไรธรรมชรามรณะ <laughs> แล้วก็ไอ้ธรรมะอันนี้เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกโทมนันตและอุปายาดีนักแล นะก็จะตั้งคําถามมีอะไรมัางไม่เป็นที่หลังน้ําตาของหมูสัตว์มีไหมในโลกนี้อ่อโดยที่สุดแม้แต่ฝุ่นอา้าวฝุ่นไม่เข้าตาบ้างเหรอฝุ <c oughs> ่นเข้าตาจะรู้ว่าฝุ่นก็ยังเป็นที่หลังแห่งน้ําตาทั้งหลายอันนะสรุปมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้คือขันห้าการใส่ใจแบบนี้มากเท่าใดก็เพิ่ถอนสัตตะสัญญามากเท่านั้น โดยปกติสัตว์ทั้งหลายมีความเห็นที่ไม่บริสุทธิ์อะไรเลยถามว่าทำไมความเห็นเขาจึงไม่บริสุทธิ์เพราะความเห็นของเขาเป็นไปกับสัตรสัญญาเป็นไปกับโลกสมัญญาคําพูดของชาวโลกเท่านั้นเองแต่สิ่งนั้นๆเบื้องลึกๆเขาไม่เคยเอามาพิจรารณาเล ย, ยนะเขาไม่เคยเอามาไข่ครควนเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงเจริญตันหาบ้างเจริญมานะบ้างเจริญทิฏฐิบ้างเจริญตันหามานะทิฏฐินั้นคือการเจริญวัตต์ มีปกติอยู่ด้วยการเจริญ <c oughs> มีปกติอยู่ด้วยการเจริญสังสารวัตมีปกติเจริญด้วยการเจริญสังสารทุกข์เพราะคิดว่าคือความในใจเขาคิดลึกๆว่ามันดีอะไรดีนะขันห้าเนี่ยใช่ไหมเออดีนะที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ร่วมกันกระสันเสินขันห้าชื่นชมโอ้ดีเนาะดีเออเสือตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็สวยเออดีดีหมดเลย อันนี้นนลายซันลักษณะของการชื่นชมวัตะโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันน่าเบื่อหน อ, อะไรในวัตะเพราะฉะนั้นถ้าใช้ผ้านเนี่ยพระ อ, องค์จึงสอนว่าผ้าพันแผลนะพระพุทธเจ้าให้คิดอีกอย่างหนึ่งนะแต่บอกว่าถ้าตั้งคําถามว่าพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนต่างจากลัทธิอื่นๆอย่างไรต่างลัทธิอื่นเกือบทั้งหมดเลยคือตรงกันข้ามหมดเลยตรงกันข้ามหมดเลยเช่นเราเห็นว่าสักพระพุทธเจ้าบอกนั่นขันห้า นั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราบอกว่าเออรูปก็สวยเวทนาก็สุขเป็นต้นพระองค์บอกว่ารูปก็เป็นอสุภะเวทนาก็าเป็นทุกข์จิตก็ไม่เที่ยงอันนั้นนี่คือสิ่งที่มันตรงกันข้ามกลับกันไปหมดแต่ทีนี้แล้วแต่เราว่าเราจะขอเลือกเดินตามใครถ้าเลือกเดินตามกิเลสมานเพื่อมัจจุมันจะได้เอาไปฆ่าได้เนี่ยนะก็คิดต่อไปว่าคิดอย่างที่เราเคยคิดนั่นแหละ เคยเห็นว่าเป็นคนก็คนไปเคยเห็นว่าเป็นสัตว์ก็สัตว์ไปว่าสวยก็สวยต่อไปเจริญต่อไปเดี๋ยวพยามารก็ฉุดเอาไปประหารชีวิตพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าอนะถ้าเป็นกบเนี่ยเขาไม่ตัดจะเรียกว่าตัดหัวก็ได้นะขนาดหัวนิดเดียวนะเขยังตัดหัวมันนะนะเล้วก็ดึงแขนมาก็ฉับเข้าไปเนี่ยนะถ้าเป็นมนุษย์ถูกประหารมีเยอะไหมมีเยอะข่าวในรอบปีเนี่ยนะโหมาชนในโลกตายไม่ใช่น้อยตายหมู่ตายเป็นทีเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยนะไม่ใช่น้อยเลยนะ ทั้งเกิดจากฝนตกน้ําท่วมแผ่นดินไว้เกิดจากอุบัติเหตุทั้งรถทั้งเครื่องบินทั้งอะไรเป็นต้นเนี่ยตายไม่ใช่น้อยเลยปีหนึ่งปีหนึ่งอันมูสัตทั้งหลายที่เกิดมาก็เกิดมาเพื่อธรรมชาติที่เกิดมาก็เพื่อตายนั่นแหละนนะธรรมชาติชรามรณะอาหารอันอาโอชะของโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาททำง่ายๆใครที่เกิดมาไม่เคยหลั่งน้ําตามัง่งหรอเนี่ยนะ ร้องจนบางคนเนี่ยมันเลิอกออกน้ําตานะได้แต่สะอื้นในอกใช่ไหมเพียง <P. S 2> แต่ว่ามันไม่มีกิริยาของเด็กก็เลยปกปิดไอ้ความเศร้าโศกเสียใจยแต่โดยสภาวะต่างกันไหมผู้ใหญ่กับเด็กเสียใจยต่างกันตรงไห น, นโดยเวทนามาขันไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่อาจจะสามารถมีเทคนิคไม่ให้น้ําตามันออกมาะนะมีเทคนิคบางอย่างะนะมีแล้วก็มีวิธีการปกปิดตัวเองได้มิดชิดขึ้นเนีย่ยนะ เพื่อจะหลอกคนอื่นด้วยพร้อมทั้งตัวเองเอาไอ้การหลอกคนอื่นเนี่ยกับคนหลอกตัวเองต่างกันตรงไหนเพราะมันคิดหลอกตัวเองก่อนนั่นแหละมันจึงบอกเออถ้าเราหลอกตัวเองสาเร็จก็เชื่อว่าหลอกผู้อื่นได้สําเร็จอนะก็เลยก็เลยถูกถูกอะไรถูกขันห้ามันหลอกเอานี่นะผมมาก็เลยพูดแบบยาะเยาะสรุปว่าถูกมหาพูดมันหลอกแต่ง่ายๆบอถูกผีหลอกก็วิจัยจนความเห็นเหล่านี้เนี่ยนะมัน จนวิจารณญาณไลหลไปให้มันเป็นร่องร่องที่ลึกมากจนความเห็นไม่มีเปลี่ยนคิดอย่างนี้คิดแค่ไหนจึงจะพอบอกว่าคิดจนไม่มีใครเปลี่ยนไอความเห็นอันนี้ได้จะต้องเจริญให้มันได้เท่านั้นว่าในโลกนี้มีแต่ขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์เท่านั้นมีอยู่เท่านี้นี่คือของจริงของแท้ที่เป็นสัจจะแต่เป็นทุกขสัจนะสัจจะตัวนี้เนี่ยสัจจะที่เป็น ทุกขสัตว์เพราะความจริงก็มีหลายประเภทด้วยกันใช่ไหมความจริงที่เป็นทุกความจริงที่เป็นทุกขสมุทัยความจริงที่เป็นทุกขานิโรธความจริงที่เป็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องคือความจริงที่เป็นทุกข์กับความจริงที่เป็นสมุทัยจริงไหมจริงเป็นความจริงที่ไม่เที่ยงเป็นความจริงที่ไม่ดีเลยอย่างเช่นเหมือนกับค้าขายขาดทุนจริงไหมจริงแต่ความจริงนี้ดีไหมไม่ดีเนี่ยนะ ชาติชารามรณะจริงไหมจริงจริงแบบนี้เอาไหมไม่เอาได้ยังไงนะเนาะก็เอาอย่นั้งไงเลยว่าพ่อมากแล้วโดนเราทีนี้มาดูถ้ากําหนดสรุปว่ากําหนดขันห้าได้อย่างนี้บ่อยๆเอาทวนอีกครั้งหนึ่งนะทบทวนว่าทวนอีกครั้งทวนว่าไงทวนว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยคือรูปรูปเหล่านี้แต่ละคนที่นั่งอยู่มีอะไรเป็นสมุดฐาน จิตเป็นสมุทฐานมั้ยนะที่นั่งอยู่นะั้นนั่งแบบเวทนาไหนมันบอกชัดเลยได้ไหมแล้วนะเคยเคยดูภาพวิดีโอไหมนั่นแหะเขาเวลาคนอื่นเขานั่งแบบไม่ได้สังเกตไหมภาพก็เก็บมาแล้วมานั่งดูกันของเราที่นั่งดูเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็เฉยเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็ยิ้มเดี๋ยวก็เฉ ย, เ ย, เฉยอยู่ยังไงอันนี้อะไรเป็นขันอะไรเป็นตัวประกาศให้รูปเป็นแบบนั้น เ, เวทนาขันบางคนกําลังสนใจทางตาอยู่เลนรูปสัญญาบางคนสนใจทางเสียงอยู่เป็น ศัทธาสัญญาก็แล้วแต่สัญญาบางคนกําลังมีกายกรรมอยู่บางคนมีวัจีกรรมอยู่บางคนมีมโนกรรมอยู่จิตก็หลอกไปเนี่ยนะงั้นเขบอกว่าวิญญาณผีหลอกก็ถูกต้องแล้วนะว่าวิญญาณพระองอุปมาเหมือนอะไรนะมายากลมายากลวิญญาณเหมือนมายากลก็เลยถูกวิญญาณหลอกเอาแล้วนะวิญญาณมันหลอกว่าคนเดียวกันนั่นแหละเดินมาคนคนเดียวกันนั่นแหละจิตดวงเที่ยวกันนั่นแหละพามาจิตดวงเดียวกันนั่นแหละให้นั่งอยู่จิตดวงเดียวกันนั่นแหละให้ไป มันนิจจะวิปลาจึงจึงท่วมทับอยู่โดยมากเนี่ยนะอ่ะทีนี้ต่อไปนะมองอันนี้ในที่หนึ่งคือมองเห็นใครปั๊บก็รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไล่ลงไปถ้าหากมองเห็นในสิ่งที่ไม่มีชีวิตเห็นผ้ามา่านเห็นดอกไม้เห็นสีทาบ้านเป็นต้นเนี่ยนะมองเห็นปั๊บก็นึกถึงอะไรรูปอันนั้นเป็นอา ร, รมณะปัจจัยของ เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดูเวทนาก็ดูว่าภาพนั้นเนี่ยอารมณนาทิปฏิไหมหน้าปรารถนาอย่างยิ่งไหมพอที่จะให้เกิดโสมนัติไหมหรือโทมนัตหรืออุเบขาสัญญานั้นมีเป็นรูปสัญญาสีเขาว ส, สีเขียวสีเหลืองเป็นต้นหรือไม่แล้วพอเห็นแล้วคิดยังไงนะพูดอะไรทําอะไรอันนั้นเป็นลักษณะของสังขารจิตที่ไล่ไปกับเรื่องนั้นเป็นวิญญาณอจับตรงนี้เอาไว้ให้แม่นยํา เพราะถ้าจับสิ่งตรงนี้ไม่แม่นยำเนี่ยนะสาวหาปัจจัยเนี่ยเอออะไรเป็นปัจจัยของนามรูปบอกอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมเนี่ยไล่ได้สะดวกคล่องมากปัจจัยของอะไรของสาวใช่ไหมชักยุ่งไปกันนะไม่รู้ว่าปัจจัยอะไรอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นปัจจยุบันในชีวิตที่เป็นจริงบางทีก็สับสนวุ่นวายไปหมดเลยแต่ทีนี้การวิเคราะห์ปัจจัยเนี่ยนะ วัตถุประสงค์ของวิชาเนี่ยนะอย่างที่รู้กันใช่ไหมว่าอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นพูดโดยความเป็นพูดครั้นรู้เห็นพูดโดยความเป็นพูดแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเพื่อดับพูดเหล่านั้นคือดับขันห้าเหล่านั้นเพราะนั้นการแสดงธรรมะทั้งหมดเนี่ยน้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกําหนัดเพื่อความดับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพาน ดันั้นการกําหนดปัจจัยที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้เพื่อมรักผลนิพพานเนี่ยจะต้องพูดในลักษณะปัจจัยที่ชวนให้สังเวทนะพูดถึงปัจจัยที่ชวนให้สังเวทเป็นปัจจัยที่น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดเพราะฉะนั้นในกังขาวิตรณวิสุทธิประเฉดที่สิบเก้าหน้าเท่าไหร่หน้าสี่สิบข้อหกร้อยเจ็สิบแปดกล่าวว่า ก็ยานที่ตั้งอยู่ข้ามพ้นความสงสัยในการสามเพราะกำหนดปัจจัยของนามรูปนี้นั่นแหละได้ชื่อว่ากังขาวิตรณะวิสุทธิเนี่ยนะก็คือคนที่จะได้ยา น, นี้ดีการท่านบอกว่ายานที่ได้บัรลุเนี่ยนะเป็นไปสืบต่อในสันดานของพโยคีเหมือนฌานที่ถึงวสีภาวะเะนั้นคนที่ที่จะไปพิจารณานามรูปนะ เพิจารณาปัจจัยของนามรูปต้องพิจารณานามรูปจนชํานาญเหมือนชานที่ได้วสีภาวะเช่นั้นนะคนที่เรียนวิสุทธิมรสมาธินิเทศมาดีฟังจะเข้าใจเลยเข้าใจว่าคนที่จะได้ชาญนะสมมุติเราได้ปฐมชาญปั๊บเนี่ยต้องชํานาญในการนึกถึงฌ า, านชานาญในการเข้าฌ า, านชํานาญในการตั้งอยู่ในฌ า, านชํานาญในการออกจากฌานและชํานาญในการพิจารณาองค์ฌาน นะชาตที่1คูณวสีหน่ยทวนอีกครั้ง1นึ่ชำนาญในการเข้า2องชำหนึ่งชำนานในการนึก2องชำนาญในการเข้า3ามชำนาญในการตั้งอยู่4ี่ชำนาญในการออกห้าชำนาญในการพิจารณาชาตที่2ก็วสีห้าชาตที่3ก็วสีห้าชาติที่4ี่เป็นต้นก็วสีห้าพอได้ทุกชาตวสีทั้ง5้าทั้งหมดอย่างนี้แล้วนะเข้าแบบอนุโลม เข้าเข้าฌานหนึ่งออกจากฌานหนึ่งเข้าฌานสองออกจากจรนสองเข้าฌานสามออกจากฌานสามเข้าฌาน4ีไล่ไปอย่างนี้ขึ้นไปอย่างนี้เรียกว่าอนุโลมถ้าปฏิโลมก็ออกจากฌานเนวะสัญญาออกจากเนวะเนวะเข้าอากินออกจากอากินเข้าวิญญาไล่กลับมาจนถึงปฐมฌานแล้วก็มีการเข้า1 3 5 7สามห้าเจ็นะแล้วก็7 5 3 1หรือว่า2 468 แปดหกสี่สองแล้วก็สลับแบบหนึ่งสองแล้วก็โดดไปสามก็คือไม่มีคำว่าสับสนอีกต่อไปอันนี้คือผู้เล่นกีฬาชานชำนาญขนาดนี้จึงจะแสดงฤทธิ์แล้วไม่เสื่อมถ้าไม่ชำนาญขนาดนี้พอได้ฤทธิ์นะไปเหาะเห็นอะไรเข้าออเจ๊งเลยร่วงเข้ามาก็นี้ไม่รู้จะนึกอะไรต่อเลยนะเหมือนอะไรเหมือนนกปีกขักเนี่ยนะมันพูดแล้วถ้าหากว่าได้ตาทิพย์อย่างเงี้ยไปเกิดเห็นนางฟ้าเข้าออจะว่าไง ก็ไม่ต้องเข้าฌานเน่ยนะฝันอยู่นั่นแหละเพราะการพิจารณานามรูปก็ลักษณะเดียวกันพิจารณาอย่างนี้จนชํานาญจนคล่องแคล่วชำนาญในการนึกนึกให้เป็นรูปเป็นนามนึกให้เป็นขันอาญตนะธาติอะ น, นะชำนาญในการนึกชํานาญในการพิจารณาชำนาญในการในการหาเหตุปัจจัยว่าทํายังไงจะพิจารณาได้บ่อยได้มากได้เยอะได้ยาวและ ต่อเนื่องเนี่ยนะจะต้องอาศัยอาหารสปายะยังไงบุคคลสปายะยังไงสถานที่อยู่เป็นต้นสปายะอย่างไรจึงจะสามารถพิจารณาได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องทีนี้พอชนานาญแบบนั้นแล้วก็พิจารณาปัจจัยของนามรูปนั่นแหละเพื่อข้ามพ้นความสงสัยในการ3าม วิจารณาปัจจัยของนามรูปเพื่อข้ามพ้นความสงสัยในการ3อันนี้จึงเป็นวิสุธทธิข้อที่2ภิกษุผู้ต้องการจะทำกังขาวิจารณาวิสุธทธินั้นให้ถึงพร้อมย่อมคำหนึ่งคำหนึ่งนี้คืออวัชชะนะสาวไปหาสาวไปหาปัจจัยเนี่ยนะเขาบอกว่าย่อมคำหนึ่งสแสวงหาเหตุและปัจจัยของนามรูปนั้น ตอนแรกเนี่ยนะบางคนบอกปัญญาสิมันจึงจะรู้ปัใจจัยใช่ไหมโดยทั่วทั่วไปมักนิยมกล่าวว่าปัญญานี่แหละเป็นตัวรู้เหตุรู้ปัจจัยแต่คัมภีร์ท่านบอกว่าตอนแรกนะให้นึกก่อนให้นึกหาก่อนไม่ใช่ว่าโอ้เดี๋ยวปัญญาเกิดขึ้นมันจะรู้ปัจจัยเองรู้เองไหมปัญญามันจะเกิดก่อนอาวชนะไหมไม่เกิดก่อนหรอกเพราะฉะนั้นอาวัชนะสแสวงหาเหตุและปัจจัยของนามรูปนั้นอุปมาเหมือนอย่างว่า แพทย์ผู้ฉลาดตรวจพบโรคแล้วก็ย่อมสแสวงหาสมุดฐานของโรคตำรวจจราจรเนี่ยถ้าเขาเห็นรถชนกันเนี่ยตำรวจจราจรก็เออเละเลยเละเล ย, เลเลยอย่างนี้หรือเปล่า เ, าเขาทำไงอำไมองไหมก็สาวหาต้นเหตุแบบทำไมเขาจึงสาวหาต้นเหตุเพื่อจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกใช่ไหมเรื่องไปยังไงมายังไงแล้วก็จะได้วิเคราะห์ถูกผู้ที่เป็นหมอก็เหมือนกันถ้าหมอเห็นเออแผลเลือดไหลแผลเลือดไหลก็ไม่ต้องเป็นหมอแล้วคนอื่นก็รู้แบบนั้นเหมือนกัน ใช่เห็นคนไข้บอกว่าปวดหัวปวดหัวแล้วได้ยินแต่ชื่อเฉยๆแล้วก็อันนี้ก็ไม่ต้องเป็นหมอหรอกสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็ลักษณะเดียวกันเพราะคนที่ชำนาญในแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งคือสามารถสาวหาปัจจัยของสิ่งนั้นๆได้หรือเหมือนบุรุษเหมือนอย่างบุรุษผู้มีใจกรุณาพบเห็นเด็กอ่อนนอนแบเบาเนี่ยนะนอนแบอยู่ที่ทางเดินแล้ว ก็นึกถึงมาดาบิดาของเด็กอ่อนคนนั้นว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครกันเนาสาวไปหาพ่อสาวไปหาแม่หาญาติของเขาเขาไม่มีญาติใดหรือเหมือนกับเราเห็นเด็กขอทานข้างถนนใช่เราก็นึกวนะ่า เ, เด็กคนนี้พ่อแม่เขาอยู่ที่ไหนเนอพ่อแม่เขาเป็นใครเขาไม่มีญาติดูแลหรือไม่มีใครอุปการะเขาเลยหรืออันเนี้ยเรียกว่าลักษณะผู้ที่สาวหาปัจจัยทุกเรื่องก็ต้องสาวไปหา ปัจจัยหมดนั้นผู้ที่ชํนานาญการชหผู้ที่ชํานาญการก่อสร้างเนี่ยเห็นตึกสักหลังหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเนรมิตขึ้นใช่ไหมไม่ใช่แล้วก็ทํายังไงถามคุณจอนดูจะรู้นะจองเขารู้วิธีเนรมิตตึกให้เสร็จภายในกี่เดือนก็ว่าไปนะไม่ใช่แป๊บเดียวไม่ใช่เปล่าเอานะนี่ก็เหมือนกันทุกอย่างนี่จะเกิดจากปัจจัยทั้งหมดเลยทุกอย่างเกิดจากการก่อร่างสร้างขึ้นของปัจจัย ทีนี้การอธิบายธรรมะเนี่ยนะมันมีการอธิบายอยู่สองวิธีด้วยกันแบบอันวิยะกับพยติเรกะเนี่ยนะอันวิยะนี่แปลว่าพิจารณาแบบคล้อยตามานะพูดตรงพูดคล้อยตามเรียกว่าพูดแบบตรงๆงไปเลยกับพยติเรกะพยติเรกะคือพูดแบบปฏิเสธก่อนอนะพูดปฏิเสธเพื่ออะไร ตรงนี้จะเริ่มอธิบายแบบปฏิเสธเพื่อห้ามมิจฉาทิฐิเพราะละทัทธิมิจฉาทิฐิเนี่ยนะก็บอกว่าคนเนี่ยเกิดมาได้ยังไงใ น, น, นมิจฉาทิฐิเขาว่าไงมีผู้สร้างเขาขึ้นพระอิศวรเป็นต้นสร้างเขาขึ้นอย่างนี้นะแต่ว่าผู้ที่พิจารณาไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ต้องห้ามมิจฉาทิฐิก่อนเป็นลําดับแรกว่า พิสูจนั้นย่อมพิจารณาตั้งแต่ต้นทีเดียวอย่างนี้ว่าก่อนอื่นนามรูปนี้จะเชื่อว่าไม่มีเหตุก็หาไม่คือทุกอย่างในโลกนี้ทุกอย่างเกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละเพราะนามรูปซึ่งถึงความเป็นเช่นเดียวกันในที่ทั้งปวงในที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะตัวเราก็ตามนามรูปเหล่านี้ก็เกิดจากปัจจัยคนอื่นๆสัตว์อื่นๆภพภูมิอื่นๆทุกภพทุกภูมิทุกขนทุกแห่งสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นล้วนแต่เกิดจากปัจจัย ตลอดการทั้งปวงและก็ตลอดแก่คนทุกคนนะแม้กระทั่งว่าทุกคนเลยนะทุกคนทั้งคนพูดทั้งคนฟังคนที่ไหนก็ตามอยู่ที่ไหนทั้งหมดทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากปัจจัยเกิดจากเหตุและเกิดจากปัจจัยชื่อว่ามีพระอิศวรเป็นต้นเป็นเหตุก็หาไม่ปฏิเสธลัฐที่พระเจ้าเลยบอกอนะอบอกโอ้ถ้า ถ้าพระเจ้าสร้างขึ้นมานี่เราจะเคารพท่านไหมสร้างมาให้ทุกชัดๆเลยนะสร้างให้เรามาป่วยอย่างเงี้ยเอาไม่พอใจไหมอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าพระเจ้าสร้างท่านแต่ป่วยนี่ท่านทําเององี้หรือเปล่าไม่ใช่นะก็ต้องเรื่องเดียวกันหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นชื่อว่าพระอิศวรเป็นต้นเป็นเหตุก็ไม่ใช่หรอกเพราะนอกเหนือไปจากนามรูปก็ไม่มีพระอิศวรเป็นต้นพระอิศวรทั่วๆไปก็คือในโลกของเทวดาเทวดาก็คือนามรูป นะแม้แต่พรมเป็นผู้สร้างพรมก็คือนามรูปก็อย่างที่เรารู้กันแต่แรกแล้วว่าทุกภพทุกภูมิทุกขนทุกแห่งก็คือนามรูปขันห้าอายตนะ1 2บสงเท่านั้นแหละไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้จึงไม่มีผู้ใดเป็นผู้สร้างผู้บงการอย่างแท้จริงแม้กระทั่งที่เราเรียกว่าผู้สร้างผู้สร้างก็คือนามรูปอีกนั่นแหละ เพราะแมเ้เพราะแม้แต่บุคคลใดจะกล่าวว่าก็เพียงแต่นามรูปเท่านั้นนั่นแหละเป็นท้ะอีศวนเป็นต้นดังนี้นามรูปที่เรียกว่าเป็นทระอีศวนเป็นต้นของคนเหล่านั้นก็จะถึงเป็นความเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุไปนามรูปในโลกนี้เนี่ยนะบอกว่าถ้าหากบอกว่ามีผู้สร้างเราขึ้น น, นะมีผู้นั้นสร้างเรามีผู้นี่สร้างเราเราเนี่ยถูกได้ทับการสร้างมาเอาแล้วผู้ที่สร้าง ใครสร้างเขาขึ้นอะสมมุติถ้ามีพระอิศวรอยู่จริงพระอิศวรเป็นผู้สร้างแล้วใครสร้างพระอิศวรออย่าคิดมากเลยนะเดี๋ยวจะป่วยงแต่ก็สรบบุปบอกว่านี้จะจะสาวว่าในความไม่มีเหตุผลของลัทธินั้นๆนะะว่าลัทธินั้นเนี่ยถ้ายิ่งถามมากจะได้ศัตรูเพิ่มอืมเคยมีผู้สอนศาสนาเข้ามามาเผยแพร่ศาสนาของเข้าให้แตมาฟัง แล้วก็มาเดินเดินาก็มาแนะนําศาสนาของเขาแล้วก็ถามเขาไปบอกว่าเขาโอ้โหสายหัวเดินกลับเลยคุย <mientras S 1> <c oughs> ไอ้นี่เขาพูดแบบภาษาชาวบ้านนะไอ้นี่โปรดไม่ขึ้นเ <c oughs> แล้วก็รู้แล้วโหยากเน่ยนะคือถ้าเราถามเข้าไปมากๆเขาก็ตอบเราไม่ได้เหมือนกันเพราะเขาก็เชื่อมากเหมือนกันนั่นแหละ <c oughs> เขาก็ไม่รู้จริงสักเท่าไหร่หรอกนี่ก็เหมือนกันถ้าบอกว่าเออสิ่งนี้ถูกสิ่งนั้นสร้างและสิ่งนั้นอะไรสร้างสิ่งนั้นอีกทีละ่ะแล้วสิ่งนั้นของสิ่งนั้นอะไรสร้างมาอีกทีแล้วสิ่งนั้นของสิ่งนั้นอน่นนะ อะไรสร้างมาถ้าสาวไปสาวมาแล้วมันจะทะเลาะกันสงครามน้ำลายก็จะเกิดขึ้นไม่ค่อยได้ประโยชน์สักเท่าไรแต่ว่าสรุปแล้วในโลกนี้ปฏิเสธลัทธิเหล่านั้นนะไม่มีผู้สร้างแบบแบบนั้นหรอกเพราะฉะนั้นนามรูปนี้ต้องมีเหตุและปัจจัยเหตุและปัจจัยนั่นแหละทําให้นามรูปกันรูปเกิดขึ้นเหตุปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยได้แก่อะไรกันนา